สั่งสติสัมรวมใจของตนให้ดี ใ, ใจอย่าให้ใจมันวอกแวกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนี่แหละหมดนะใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อฝึกใจนี่ไม่ได้ก็ทำความดีให้ทงขึ้นไปไม่ได้แม้จะถึงความเป็นอยู่ ภายนอกก็ลำบากเมื่อใจไม่ดีแล้วเพราะว่าใจเป็นผู้บงการให้กายทำให้วาจาพูดถ้าใจฉลาดมันก็ทำการงานได้ดีพูดจาปราศัยก็ดีถ้าใจไม่ฉลาดแล้วทำอะไรพูดไรก็ไม่ดี เนี่ยเราอยากรู้จักว่าผู้นั้นมีคุณความดีอยู่ในตนมากน้อยเพียงใดเราก็ต้องดูที่ความประพฤติทางกายทางวาจาเมื่อมันเรียบร้อยก็แสดงว่าจิตใจนั่นน่ะมันมันเรียบร้อยมันดีจิตใจไม่เหลวไหลใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดี เพราะฉะนั้นจึงใช้กายทมใช้วาจาพูดไปเสนะในทางที่ถูกต้องทำไปในสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นแต่คุณเป็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละก็เป็นเครื่องสอสแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้นั้นมีคุณธรรมอยู่ในใจ คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจจึงได้แสดงออกซึ่งความเฉลียวฉลาดแสดงออกซึ่งความดีต่างๆในความชั่วไม่ค่อยแสดงออกมาเพราะเหตุว่าละมันเสียแล้วความจริงเน่ยเมื่อมันมีอะไรอยู่ในใจนั่นหากไม่ละมันแล้วนะ มันอัดอันเต็มขีดมาแล้วมันก็ระ บ, บาดออกมาทางกายทางวาจามันเป็นอย่งังไงมันจะอยู่ภายในจิตใจนั่นนานไม่ได้หรอกต้องแสดงออกเพราะว่ากายวาจานี่เป็นที่แสดงออกเป็นที่ระบายอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมันคลั่งอยู่ด้วยอารมณ์อะไรมันก็แสดงออกมา ให้คนภายนอกได้รู้เช่นจิตมันยึดมันในความโกโรธไว้อย่างนี้นะทีแรกก็อดกั้นไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันเบาบางระงับลงไปได้อดไปอดมามันมันมากขึ้นพอๆมันก็ทนไม่ไหวก็จึงระเบิดออกมาทางกายทางวาจา มีเรื่องอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็เป็นมากไปเลยแบบนี้นะแสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรงไม่ได้ยับยั้งชั้งใจเลยอันนี้แหละที่จิตใจมันยึดมั่นอยู่ในอารมณ์ในเรื่อ ง, งต่างๆนั้นจึงง่าไม่ดีจึงควรภาวนากำหนดสอนใจให้ละเว้นมันเพ่งใจเข้าไปเพง่งเอาน้อมสติเข้าไปเพ่งใจ สอนใจให้ละอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้จะเป็นอารมณ์ที่น่ารักก็ดีน่าเกลียดน่าชังก็ดีอารมณ์ที่ให้เกิดความหลงความเมาเช่นความเพลิดเพลินต่างๆนันนาก็ดีมูนี้นะจะไปเก็บกักมันไว้ในใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาเวลาใด เรารู้ตัวรู้จักอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดเราก็กำหนดใจละมันไปเมื่อนั้นละมันไปจนว้ามันดับเมื่อมันไม่ดับก็ไม่ถอยความเพียรพยายามเพียรเพ่งพินิจอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เหลววิสัยถ้าเราประสงค์จะละมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ใจมันไม่ยอมละมันนีสี อันนี้แหละทำให้กิเลสมันยังหนาแน่นอยู่ในใจของคนนี่นะเพราะว่าจิตนี่มันชอบกิเลสก็จึงได้ยึดถือเอามันไว้ถ้าไม่ชอบแล้วจิตไปยึดถือเอาไว้ทำไมแบบนี้นั่นแสดงว่ามันชอบหลยที่มันชอบเพราะถูกอวิชชาตันหาครอบงมจิตใจเห็นชั่วเป็นดีไป เห็นดีเป็นชั่วไปอย่างนี้นะเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นของดีไปเห็นว่าการทาใจให้เฉยนี่เป็นความชั่วหรือว่าเขาด่ามาไม่ด่าตอบ ก, ก็เป็นความโง่ของผู้นั้นนี่เรียกว่าเห็นดีเป็นชั่วไปความจริงเนะี่ยตรงกันข้ามกับคำสอนของพรธเจ้านะ คำสองอุเทจาสอนให้คนเราเพ่งดูลักษณะอาการแห่งความดีความชั่วให้เห็นตามเป็นจริงไม่บิดเบือนเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีกดเห็นว่าไม่ดีจริงกับตำหีิตัวเองนะั่นแหละว่าสร้างความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะถ้าพิจรารณาเห็นว่าไอ้ความโรคความรัก ความใคร่ในมันไม่ดีเมื่อเห็นว่ามันไม่ดีแะไรอย่างนี้มันก็ต้องกำหนดละกันเลยแล้วก็ทำหนีตัวเองทำไหมจึงไปสร้างความรักความกำหนัดยินดีต่งตางๆขึ้นในใจเพราะมันเป็นของร้อนพระศาสดาทรงตรัสไว้ว่ารักคคีนานะความกำหนัดยินดีเป็นของร้อน โหสักคีนาความโกรธความคิดประทบสรายซึ่งกระกันเป็นของร้อนโมหคีนาความหลงความไม่รู้จริงในเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วก็หลงง่วงไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วก็ทำใจใเราร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าโมหคีนาร้อนเพราะความหลง ใครเป็นผู้ร้อนบบ น, นีนะ้ก็จิตแลเป็นผู้ร้อนร่างกายมันไม่ได้ร้อนจิตต่างหากมันร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะร้อนเพราะไฟสามกองเหล่านี้แหละร้อนเพราะความ แก่ความเจ็บความตายเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะทุกส่วนนี่ล้วนแต่มีความแปรปรวนแตกดับเป็นที่สดุดระหว่างที่ยังไม่แตกไม่ดับนี่มันก็ร้อนเพราะความจำรุดสุดโทรมของร่างกายต้องประครบปัะ ง, งมอยู่อย่างนั้นแหละ วันนี้เมื่อเวลาจวนจะตายก็กลัวตายไม่อยากตายก็ร้อนใจร้อนอย่างไรมัจจุราชมันก็ไม่ให้อภัยมันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิดให้พลากจากร่างกายออกไปจนได้ลอร้อนเพราะความโศกความเศร้าความเสียใจความพิไร่ลำพันธความคับแขนใจความหิวแห้งใจ มูนี้มันเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ทั้งนั้นหลยความร้อนทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นความร้อนของตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นคือว่า ตาหูจมกูกเล่นกายใจนี่เป็นสื่ อ, อรับรู้อารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่จิตใจเมื่อใจไม่รู้เท่าใจไม่มีปัญญาใจก็เดือดร้อนไปกับตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นหมายก็ว่าอย่างนั้นที่ว่าร้อนในที่นี้น่ะใจนั่นแหละร้อนอย่างเดียวเมื่อฝึกจิตใจให้สงบระงรับตรงไปได้ ปัญญาบางเกิดขึ้นยกจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรร้อนแบบ น, นี้นะนั่นเนีงตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้สูดกลิน่นเหม็นหรือ ก, กลิ่นหอมก็สั ก, กว่าแต่ได้สูดได้ดมลิ้นได้รับรสอาหารอันอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่า กายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็สักแต่ว่าทั้งนั้นแหละสักแต่ว่าถูกต้องความสัมผัสทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่นะมันเป็นจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณ กายะวิญญาณมาโนวิญญาณเมื่อตาได้เห็นรูปเข้าไปมันก็เกิดวิญญาณทางรูปขึ้นมาอย่างนี้แหละแต่ว่าท่านเรียกว่าจักขูวิญญาณคือมันรู้ซึ่งรูปนั้นวันนี้รวมทั้งรูปทั้งตา ทั้งวิญญาณสามอย่างนี้เข้าใจกันเรียกว่าผัสสะภัสสะนี่คือความถูกต้องนั่นแหละหูก็เหมือนกันจมูกลิน้นกายบรรดาความสัมผัสถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้มันก็ส่งเข้าไปหาดวงจิตเป็นอารมณ์ของจิตนั่นแนะ เมื่อจิตนี่ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าตามเป็นจริงก็เสียใจก็ร้องไห้ลำไรหรือเดือดเอร้อนใจอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าใครก็ร้อนใจอยากจะได้สิ่งที่ต้องการมาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่พออกพอใจ น้าเกลียดหน้าชังเกาะร้อนเพราะความเกลียดชังความโกรธอย่างนี้แหละพระพุทธองค์ยังได้ทรงตรัสว่าเป็นของร้อนนั่นแหละอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสหมูอนี้นะสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาก็เป็นของร้อน จะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าอดุขามาสุขเวทนาเวทนาคือจิตเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเสวยอารมณ์เป็นทุกข์บ้างจิตเสวยอารมณ์อันเป็นกลางๆงไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอันบูดีถ้าบุคคลไม่รู้เท่าแล้วก็ร้อนทั้งนั้นแหละ ร้อนเพราะความอยากได้ร้อนเพราะความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วไม่รู้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันจึงได้เดือดร้อนนะถ้าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาปัญญามันก็สอนจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่มันเบื่อหน่ายสิ่งที่มันร้อนนั้นเสียอย่างนี้เมื่อปล่อยวาง สิ่งที่เห็นว่ามันร้อนมันทุกข์นั้นได้ความความร้อนมันก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปเพราะว่าความร้อนอันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นอุปมาเหมือนอย่างบุคคลก่อไฟก่อไฟนี่ถ้าไม่มีเชื้อในมันจะไม่ไหม้เลยมันจะไม่ลุกก็ต้องมีไม้แห้งมีหญ้าแห้งเป็นเชือ้อ พอจุดไฟเข้าไปแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นเป็นโพรงขึ้นเลยอย่างนี้นะแต่ทีนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้นเหล่านี้ถ้าใจไม่ยินดียินร้ายแล้วใจไม่เดือดร้อนแล้วมันถึงตาเห็นรูป ก, ก็เห็นเฉยๆไปอย่างนั้นแหละไม่มีพิษมีสงอะไร เพราะว่าใจไม่ส่งเสริมตาเห็นรูปอย่างนี้ใจก็รู้แล้วว่ารูปนั้นไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแลว้วแปรปรวนแตกดับไปแตกดับลงไปก็เป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมของเกา่าไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นะ ก็พึ่งพากันฝึกฝนจิตใจของตนให้หนักให้แน่นให้ส ง, งบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นกับสิ่งอื่นตั้งมั่นอยู่กับเรื่องอื่นนั้นไม่จรังยัง่งยืนเลยแล้วก็เป็นไปเพื่อความเร่าร้อนอย่างสิว่านั่นแหละเป็นไปเพื่อความทุกข์ความโตกนาน า, นาประการนี่ เมื่อเราหัดทำสมาธิภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้มันจิตนั้นได้มองเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายและสิ่งทีวิตร้อมร่างกายในโยให้เห็นว่ามันเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภยัยอันตรายต่างๆ อยู่แวดล้อมโดยรอบทีเดียวหละภัยเหล่านั้นนะ่ะถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็ไม่เป็นภัยต่อชีวิตจิตใจถ้าเป็นฝ่ายอากุศลก็เป็นภัยเช่นตามไปเห็นรูปอย่างนี้นะถ้าเห็นรูปที่น่ารักก็หลงรักหลงไข่อะ่ะสย้อนลืมหูหูลืมตาไม่ขึ้นเล ย, ยนี่ถ้าเป็นเห็นรูป ที่น่าเกลียดหน่าชังมันก็โกรธความโกรธนั่นก็เผาจิตให้เราร้อนความรักนันก็เผาจิตให้เราร้อนไอ้อย่างนี้แหละคิดดูให้ดีไอ้การที่จิตใจไม่ไม่ได้ฝึกขนอบรมไม่รู้เท่านะมันก็นาความร้อนใจมาให้อย่างนี้แหละ แต่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่ร้อนไม่หนาวอะไรหรอกมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเองนะมีแต่ใจดวงเดียวนี่แหละมันร้อนมันเย็นถ้ามันรู้เท่าตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วมันก็เย็นเละไม่เดือดร้อนเลยเป็นอย่างนั้นมันเย็นแล้วเพราะเหตุว่า มองดูอะไรก็สักแต่ว่าทางนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยก็เมื่อมันมองเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแล้วเชนี้มันก็หายมันก็บรรเทาความเ ร, าร้อนต่างๆได้เนี่ยมันเป็นอย่างไนเช่นอย่างว่าเขาด่ามางี้นะ คิดมัก็รู้แล้วว่าเขาด่าธาตุสี่ขันห้านี้สังหกเขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในขันห้านั้นไม่มีจริงๆถ้าขันห้าเป็นของเราจริงมันก็บังคับได้สิบังคับมาให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยถ้าบังคับได้นะเนี่ย การเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเพจรณาเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้จิตใจจึงไม่เร่าร้อนกับตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละเพราะว่าตานี่ก็ประกอบไปได้วยธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันนะมีรูปมีนามอยู่ในนี้เสร็จหูจมูกลิน้นกายใจก็เหมือนกันนะ มีรูปมีนามมีขันธ์ห้านั่นแหละอยู่ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีใจหรือจิตนี่เป็นกลางแบบนี้นะนนจิตนี่แหละแผ่กระแสของต น, นออกไปอยู่ตามตาตามหูตามจมกูกตามลิน้นตามกายตา ม, มจิตใจนี้มันแผ่ความรู้สึกออกไปท่านเรียกว่าวิญญาณ เออย่างนี้แหละอันกระแสของจิตเหล่านี้แหละมันไม่เที่ยงมายังอยือนเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วถ้ามันดับไปความรู้ทําไมมันจึงมีอยู่ไอความรู้นั่นแหะมันมันอยู่ที่จิตนี้ส่วนนามธรรมานั้นเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้น แต่ความรู้สึกอัิจดเดิมใจเดิมนี่น่ะมันไม่เหมันไม่สูญไม่หายเมื่อต่อเมื่ออาศัยร่างกายนี่ไม่ได้แล้วร่างกายนี่มันแตกสะวัคีกันแล้วมันจะแตกกระดับแล้วนั่นแหละจิตตรงนี้ถึงได้เคลื่อนจากที่ออกไปถ้าหากว่าร่างกายนี่ยังอยู่ยังปกติอยู่แล้ว จิตนี่มันยังจะไม่เคลื่อนจากที่ออกไปที่ว่าจิตไปโน่นไปนี่นั่นคือเรื่องเจตสิกนี่แหละมันก็ออกไปจากจิตนี่แหละความคิดความนึกความจําความหมายต่างๆ น, น, น, น, นานาเหล่านี้มันก็เกิดไปจากจิตคือความรู้อันนี้เองนะนี่ให้พากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นอพิจารณา อะไรก็ตามเหละยมันต้องรวมลงสู่จิตนี่มันจึงถูกต้องเพราะว่าสุกทุกดีชั่วอะไรมันเกิดจากกิตในทังนั้นเลยไม่ได้เกิด่ากกับอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นมันคิดนึกอะไรไม่ได้ไมิจตจิตนี้แหละมันคิดนึกได้ว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่ว ว่าคิดนึกว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เราอยากได้อย่างนั้นเราอยากได้อย่างนี้อันนี้ล้วนตั้งแต่จิตทั้งนั้นแหละมันคิดมันปรุงแต่งเหตุที่มันปรุงอย่างนี้ก็เพราะมันมยังไม่รู้แจ้งนี่ถ้ามันรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันจะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้นะแต่ไม่อยากได้แต่ต้องหักอาศัยมันอยู่ อาศัยมันแต่ไม่ติดมันไม่คล้องกับมันไม่สําคัญว่าเป็นของเราเหมือนอย่างบ้านเรือนอย่างเนี้เอาสร้างขึ้นแล้วเราก็อยู่อาศัยไปอย่างงั้นแหละก็ต้องมาพี่ณาให้รู้แจ้งในเรือนในอีกทีหนึ่งเรือนในมันก็เป็นอย่างเรือนนอกนั่นแหละมีโครงสร้างหลายอย่าง มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้เป็นโครงสร้างของรูปกายอันนี้เนี่ยต้องพิจารณายแยกแยะออกดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของของเรามองเพ่งอยู่ยภายในนั่นแหละเห็นเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคล อันนี้แหละจึงว่าอนัตตานุปัสสนาเห็นแจ้งในนามในรูปนี่ว่าเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลแต่ว่ารูปกายอันนี้มันก็แตกดับลงไปมันก็ไปเป็นธาตุมันก็มีอยู่นะธาตุนะของของมีอยู่แต่เดิมอันธาตุนี่นะไม่ใช่ว่ามันทู้นหายไปหมดเลยไม่ใช่ แต่คําว่าว่างอันในที่นี้ต้องเข้าใจถูกต้องหมายถึงว่างจากตัวจากบุคคลจากตัวตนเราเขาอ่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มันสูญหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันไม่ได้สูญหายแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงลงไปเท่านั้นเองแหละมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่า รูปกายอันนี้เนะี่ยมันมีคำดีคำชั่วที่ดวงจิต ด, ดวงนี้แหละอาศัยกายแต่ก่อนนู่นน่ะสร้างเอาไว้สังสมไว้ในจิตใจนี่แหละบัด น, นี้เมื่อร่างอันนั้นมันสำรุดุษมเต็มที่จิตอาศัยไม่ได้แล้วคำดีคำชั่วที่จิตมันสร้างมันยึดถือเอาไว้ก็เป็นพาหา น, นำ ดวงจิตนี่ถ้าหาวกว่าบุคคลมีบุญพอสมควรพอจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไอ้กรรมดีนั่นมันก็นาดวงจิตนี่มาปฏิอาศัยธาตุของบรรดาบิดาโยูวันนี้กรรมนั้นมันกระตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งๆให้เป็นต้นว่าแขนสองขาสองหัวหนึง่งพร้อมด้วยตัวด้วยคือร่างกายทุกส่วน เหล่านี้อาศัยบุญกุศลตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่วิบัติแต่ถ้าบาปแต่งนะมันให้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบย่อมเสียหายบุกร่องอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นต้นว่าขาด้วนแขนด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะ เนี่ยเรียกว่าบาปมันติดตามมาตกแต่งตั้งแต่ชาติก่อนตนไปตัดขากรพบขาเขียดออหรือว่าไปตัดขาหัวขาควายอะไรก็แล้วแต่แหละนั่นแหละพรกรรมนั้นมันก็ตกแต่งให้เกิดมาเป็นคนแล้วมันทําให้ขาด่วนไปเพราะว่ากรรมเมื่อทํากรรมสิ่งใดแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นอย่างนั้นแหละ เหมือนไม่เป็นอย่างเอื่นยกตัวอย่างเช่นแต่ครั้งอดีตการพระพุทธเจ้านำเรื่องราวของพ น, นางโรฮินีมาแสดงให้พุทธบริษัททางหลายฟังนางโรฮินีนี่เป็นน้องสาวของพระอนุรุธทธะเชื้อสายจักกยราชนั่นแหละ บันนี้อยู่มานั่นน่ะกรรมในอดีต ท, ทนหลังนั้นน่ะติดตามมาทันเอาบันดาลให้นางเกิดตุ่มผูกพองทั่วร่างกายเลยน้ำเหลืองไหลยเยิ้มไปเลยทีเดียวก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงผู้พระอนุรุทธนี่จึงได้แนะนำให้เธอนั้น สร้างสาราหอฉันขึ้นแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันบิณฑบาตในหอฉันนั้นนางก็เลยจัดก็ทำขึ้นแต่จะทำในวัดหรือทำในบ้านไม่กล่าวไว้ชัดเจนเข้าใจว่าจะณทำในวัดนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องมรดกสัมพันธ์อยู่กับในบ้าน เข้าใจว่าบ้านนั้นจะอยู่ใกล้วัดคงจะเป็นอย่างนั้นมเมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้เธอนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไปฉันบินธบาตเธอก็ทำตามนั้นถึงวันเวลาแล้วพระพุทธเทาองค์และพระสงฆ์ก็เสด็จไปที่ศาลานั้นแล้วเมื่อคนทั้งหลายน้ม อ, อาหารมา จะใส่บาทพระองค์ก็ชำาเลืองดูไม่เห็นนางโรฮิณีก็ทรงรับสั่งถามว่านางโรฮิณีไปไหนมีผู้ทูลว่าอยู่ในห้องพ่อล ะ, ะอายใจว่าร่างกายตนไม่สะอาดจึงไม่กล้าออกมาเฝ้า菩าสดบันนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่า ให้นำนางโลหินีออกมาไม่ต้องเกอ้อไม่ต้องอายวันนี้ก็มีผู้ไปนำเอานางโลหินีออกมาพ่อพระศาสดาพอนางมองเห็นพระองค์เท่านั้นแหละก็เกิดปีติทั้งห้าขึ้นเลยอ็ดโรคภัยคือความเป็นตุ่ม แล้วก็เปื่อยเน่าน้ำเหลืองไหลเยิ้มแล้วนะหายหมดไปเลยร่างกายของนางก็เลยเป็นปกติตามเดิมมีผู้ทูลถามว่านางโรฮิณีเนี่ยทำกรรมทําเวรอะไรมาแต่ก่อนหนอพระเจ้าข้าเพราะองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าตั้งแต่ชาติก่อนโน่นนางโรฮิณีนี่เป็น มเหสีของพระราชาพระ อ, องค์หนึ่งและ ว, วันนี้ก็มีนางสนมของพระราชาเป็นธรรมดาแต่คนสมัยก่อนเมื่อมีมาเหสีแล้วก็ต้องมีนางสนมกลมในวันนี้นางสนมคนนั้นเป็นที่โปรดของพระราชามากพระราชากดเที่ยวไป หาตั้งแต่นางสนมคนนั้นไม่เอเื้อเฟือกับภรรยาหลวงอย่างนี้นะไม่ไม่เมียหลวงเนี่ยก็เลยไม่พอใจแล้วโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาแล้วก็ไปเอาหมากํำแย่นี่นะแต่ภาคกลางเขาเรียกว่าหมามุมย เอามาขุใส่ที่นอนของนางสนมคนนั้นโดยเวลาที่เขาม่อยู่เอาไปขุไว้ในที่นอนนั้นกระจายไปทั่วเมื่อหญิงคนนั้นมาเข้านอนลงไปในที่นอนของโทนนั้นก็เกิดคันเกิดคลายขึ้นมาทั่วตัวอะไรแบบนี้นะ เกิดคันเกิดคายขึ้นมาเก้าเข้าไปก็เกิดน้ำเหลืองไหลยเยิ้มได้รับทุกขเวทนาพอสมควรทีเดียวจนกว่าจะพยาบาลรักษามันหายไปได้กรรมอันนั้นแหละติดสอยห้อยตามมามาสนองเอานางโรฮินีนี่นะอยู่ดีๆมัก็ไม่มีใครทำให้หรอกอันนี้นะกรรม นอดีตนนมันมาสนองเอามันทำให้เกิดตุมทันเก่าเข้าไปเลยมันก็เบื่อก็ผุออกไปน้าเหลืองก็ไหลเยิ้มแบบนี้ได้เสวยทุกขเวทนาอันนี้แหละเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่คนเรากระทำมานี่ทำมาอย่างไร มันก็ให้ผลมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกับที่ทำกับบุคคลอื่นมาแต่ก่อนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็อย่าไปทําอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธความโกรธนี่มันทําให้เกิดความพยาบาท เมื่อความพยาบามมีแล้วมันกบพยายามลยวันนี้นะพยายามทำความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ตนพยาบามจองเว้นนั้นเมื่อได้ชัช่องได้โอกาสเมื่อใดเมื่อก็ทำลงไปเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อทำลงไปอย่างนั้นคนทั้งหลายไม่ไม่นึกดอกไม่นึ ก, กว่ากรรมนั้นมันจะตามสนองตัวไน่เป็นทุกข์ถ้ามันนึกได้มันรู้ได้อย่างนี้แต่ ก่อนทำอย่างนี้มันก็ไม่ทำเลยมันกลัวกรรมเวรอันนั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติต่อไปมันก็เว้นได้อันที่มันเว้นไม่ได้มันทำาน่ก็เพราะมันไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่กลัวบาปกรรมที่ทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้เลยเมื่อโทสะครอบงำจิตใจแล้วมันมืดมนไปหมด มองไม่เห็นโทษเห็นคุณอะไรเลยอย่างนี้นะดังนั้นนะทุกคนต้องระมัดระวังจิตใจของตนให้ดีอย่าให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงมจิตให้ได้เดี๋ยวมันจะหลงทาชั่วโดยไม่รู้ตัวดังที่นิทมนิทานที่เล่าให้ฟังมานี่แหละจงเพียรพยายามภาวนา ซอนใจให้ละมันให้เบื่อนายมันกิเลสเหล่านี้นะอย่าไปเห็นว่าเป็นของดีมันไม่ดีหรอกจะดียังไงล่ะเหมือนเป็นครรมเป็นเวรตามสนองไม่รู้จักจบจักสิน้นแต่เมื่อบุคคลผู้ที่ไม่ได้ทำกรรมชั่ว ต, ต่างๆดังกล่าวมานั้นนะถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลมีตั้งกิจิตเจตนาวิรัตละเว้นจริงๆ มันก็ไม่ได้ทำแหละกรรมชั่วต่างๆแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดเป็นผู้คิดทำกรรมชั่วขึ้นมาใส่ตัวเองนั่นก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะ่ะยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นดังนั้นนะอย่าพากันเป็ น, นิ้งนอนใจให้พึ่งพากัน เพ่งกรวดกลาดูจิตใจของตนให้ดีว่ามันมีกิเลสอะไรที่มันออกหน้าออกตาเพื่อนอยู่ในใจของตนนี่นะ่ะมีแต่ตัวใครตัวเราเท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้ดอกแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็จะไม่ได้ตามจะไม่ได้ส่งพย า, ยานไปดูกิเลสของคนทั่วไป พระองค์ก็ส่งพรญาณแผ่ไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆนี่แหละถ้าใครเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรพอที่พระองค์จะโปรดเอาไดนะ้ก็ไปต้องขายพยาณของพระองค์เท่านั้นเองนะแต่ก็เป็นบางครั้งบางคราวที่พระองค์กลวดดูสัตว์โลกพระองค์ไม่ได้กลวดดูบ่อยนักเส้นยางว่า เมื่อพุทธบริษัทประชุมกันที่ศาลาการประเรียนแล้วอย่างนี้พระองค์เสด็จขึ้นไปนั่งบนอาสนะเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ทรงกรวจดู ว, ดดวรจิตอุปนิสัยของคนเหล่านั้นด้วยอาศาญานุสายญาณหมายาว่าญาณปีชาอย่างรู้ อุปนิสัยใจขอของคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์กลัว ด, ดูไปแล้วผู้ใดที่มีบุญวาสนาบารมีจะได้บรรลุมรคนธรมวิเศษอะไรพระองค์ก็รู้แจ้งในจริตดิษัยของคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นแล้วก็รู้ทั้งธรรมะที่จะแสดง ให้คนเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบา ร, รมีของตนเมื่อพระ อ, องค์กำหนดธรรมะได้อย่างนั้นแล้วก็จึงยกธรรมะนั้นขึ้นเป็นหัวข้อแล้วอธิบายไปคนผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีเมื่อได้ฟังคำสอนอันนั้นก็ถูกอกถูกใจพราะอกพอใจอย่างนี้แหละเพราะมันไปตรงกับ จริตของตัวเองเมือนเป็นพระธรรมที่ไปกำจัดกิเลสออกจากหัวใจของตนเองได้มันจึงพออกพอใจในธรรมะนั้นดูดดื่มซาบซึ่งบริใจมันก็รวมลงสี่เพราะว่าพราะองค์เจ้าแสดงธรรมก็ชี้ลงไปที่จิตนั้นให้ทำจิตให้ดีอย่างนี้ท่านนั้นก็ทำจิตให้ตั้งมั่นให้สงบลงไป พิจารณาตามธรรมะที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงนั้นขณนเมื่อพระ อ, องค์แสดงทมให้จบลงคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นก็ได้บรรลุมลรรควิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งตามวาสนาบา ร, รมีของตนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการทำบุญกุศลการฝึกตน ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีนี่เนะ่จึงเป็นสิ่งที่ควรทำโดยแท้เพราะเมื่อสั่งสมบุญกุศลไปหากยังไม่แก่กล้าพอที่จะได้บรรลุมรผลในชาติปัจจุบันเช่นนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปหากว่าเมื่อไปเกิดร่วมกับ ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหมายคขามว่าไปเกิดร่วมพระพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อพระองค์เลงงานสองสั์โลกบุคคลผู้นั้นก็จะไปต้องขายพยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงรู้ชัดว่าผู้นี้อินทรบารมีแก่กล้าสมควรจะได้บรรลุมรรคในขนะนั้นขณะพระองค์ก็รู้หมดแหละ แม้จะอยู่ไกลภรยในพระองค์ก็เสด็จไปโปรดถ้าทรงพระดำเนินด้วยพระบาทไม่ไหวก็เข้าชาแล้วเหาะไปอย่างนี้แหละเหาะไปแล้วก็ไปลงหมู่บ้านนั้นเมื่อคนเหล่านั้นเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสทันทีไม่มีลังเลเลยอย่างนี้ ถ้าเป็นเวลาขบชันก็นำอาหารไปถวายถ้าไม่ใช่เวลาขบชันก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็พากันไปเฝ้าไม่ใช่แต่คนเหล่านั้นแม่คนอื่นๆได้ทราบเขาผู้เริ่มใส่นับถือก็พากันไปฟังพระธรรมเทศนาแต่บุคคลเหล่าใดที่มีอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอ ก็ได้แต่ความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เท่านั้นท่านเราใดเป็นผู้มีอุปนิสัยวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าพอจะได้บรรลุมรรคผลในขณะนั้นได้ขณะนั้นเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบา ร, รมีของตนอย่างนี้ ถ้าบรรลุโสดาบานันยงนี้ทก็กล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอให้พากันศึกษาหรือสะระตรับฟัง เมื่อจําได้แล้วเอาไปคิดไปกลองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อสรุปรงแล้วเท่าที่แสดงมานี่นะก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ก็เพราะอาศัยความภาคเพียรไม่ยามสั่งสมบุญกุศลนี้ให้มากขึ้นไปโดยลําดับบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ไม่ไดอ้อาศัยสิ่งอื่นหมายความว่าอย่างนั้น อาศัยบุญกุศลนี่โดยตรงเลยทีเดียวไม่ใช่โดยอ้อมแล้วแต่ต้องบําเพ็ญให้มันมากให้มันเข้าขั้นที่จะกําจัดกิเลสตัณหาให้ขาดเด็ดไปจากกิจใจโดยเอกเทศก็มีโดยสิ้นเชิงก็มีโดยเอกเทศนั้นเมื่อบุคคลบําเพ็ญบุญกุศลไม่เต็มในขั้นนั้น ก็ไม่สามารถจะบรรลุโสดาปฏิผลได้มันเป็นอย่างไรเรื่องของเรื่องนะดังนั้นเราถึงให้รู้จั ก, กว่าคำสองพระเทเจ้านะ่ะแม้ท่านจะอธิบายไปมากมากแต่เมื่อรวมความลงแล้วมันก็อยู่ตรงที่ว่าไอ้ทุกคนผู้ยังละกิเลสไม่หมดสิ้นไปนี่นะ่ะมันต้องสั่งสมบุญกุศลให้มากให้เต็มความสามารถ ให้เข้าใจเนื้อความความหมายเพราะว่านอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ให้พ้นจากทุกข์ให้ในสงสารอันนี้ไปได้นำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่นะบุญกุศลเท่านั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า ทุโคปุญญัต้า อ, อุจเยโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ทุโคปาปัสต้าอุจเยโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุ ข, ข, โโสส น, สขนี่ผู้ใดสั่งสมบุญน้อยก็มีความสุขตามน้อยผู้ใดสั่งสมมากก็มีความสุขตามมาก ผู้ใดสั่งสมบุญจนเต็มบริบูรณ์แล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็กำจัดอาสวะกิเลสในหัวใจของผู้นั้นให้หมดสิ้นไปแล้วผู้นั้นก็ได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานก็เป็นอันว่าได้ไปเสวยบรมสุขอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็ น, นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าเลย สวัสสุขอย่างนั้นอยู่ไปตลอดอนันตการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นอะไรไปเลยในพุทธศาสนานี่ท่านจึงมุ่งต่อพระนิพพานเป็นที่สุดขอให้บุญกุศลนำตนให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดตนไม่ปรารถนาความสุขใดๆในโลกนี้เพราะว่าความสุขในโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มันเป็นไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเราก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นแหละเช่นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการท่องเสพกรรมคุณต่างๆโมนี่นะเป็นสุขชั่วแร่นทั้งนั้นเลยโบราณท่านเปรียบเทียบไว้เ่าเหมือนอย่างตาช้างพับหูงูแลบลิน้นเท่านั้นแหละแล้วก็หายไปอย่างนี้นะ นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่ปราถนาความสุขในโลกนี้หรือโลกหน้าก็ช่างเลยไม่ปราถนาแล้วปราถนาแต่ขอให้บุญกุศลมันเต็มไวๆแล้วจะได้บรรลุซึ่งพลิภานนั่นแหละปราถนาขอให้ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุด ขออย่าให้เกิดความหลงความประมาทในบุญในกุศลเสีย <Yeah. S 2> ขออย่าให้เกิดความเห็นผิดว่าบุญไม่ได้ช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่เทวดาอินพรมนู่นจะมาช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้ mm. ถ้ามีผู้ใดมาออกความคิดความเห็นอย่างนี้ ไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาเห็แนแจ้งในอนุภาพแห่งบุญแห่งคุณดังกล่าวมานี้แล้วจะไม่หลงไหลเชื่อเด็ดขาดเลยจะยืนหยัดอยู่ในบุญในกุศลนี่เท่านั้นแหละแต่ว่านักปราชญ์เกจิอาจารย์บางท่านก็ไปแสดงว่าไปทำบุญมัวได่ทำบุญอยู่ก็ไปยึดแต่บุญเท่านั้นสิะฉะไหนจะละอุปทานได้ ไปยึดเอาแต่บุญไว้อย่างนี้นะมันจะพ้นทุกได้ยังไงไอม้มติของเกจิอาจารย์บางท่านบางองค์บางหมู่ก็มีความเห็นอย่างนี้ก็มีนี่แต่เมื่อมาวินิจฉัยดูเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้อง ก็เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มบุญกุศลยังกาจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ให้หมดไปไม่ได้แล้วใจมันจะละอุปทานในขันหานี้ได้อย่างไรแล้วมันละไม่ได้ให้เข้าใจการที่จิตมันจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหรือนอกขันห้าออกไปได้ ก็พราะอาศัยบุญบำเพ็ญบุญกุศลมันเต็มมันเข้าขั้นแล้วมันอบุญกุศลนั่นมันรวมตัวเข้าเป็นตัวปัญญาปัญญาสอนจิต้เห็นโทษของความยึดความถือในขันธ์ทั้งห้านี่พอทุกรวบยอดแท้ๆแล้วก็มาเกิดจากใจที่มายึดถือขันธ์ห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันจึงได้เป็นทุกข์ เมื่อปัญญาประพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วประกอบกับบุญกุศลมันเข้าขั้นอย่างว่านั่นเลยมันก็เลยหลุดพ้นไปได้ละอุปทานอ น, นั้นตได้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะแต่ถ้าการละอุปทานนี่มันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันนะเริ่มต้นตั้งแต่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบาปอากุศลนั่นแหละ ได้ก่อนก่อนอื่นนะเมื่อลักอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบาปอากุศลได้มันก็เป็นอันว่าละขันหาอันเป็นสวยอันเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายอากุศลได้เนี่ยเข้าใจให้เข้าใจมันถูกต้องคราวนี้เมื่อละขันหา่านเป็นฝ่ายอากุศลได้ ก็ยังมาติดข้องอยู่ในขันห้าอันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลไปมากเข้าไปมากเข้าไปบุญกุศลมันก็หลอมตัวเข้าเป็นปัญญาปัญญาก็มองเห็นว่าขันห้านี้ถึงแม้จะบุญตกแต่งให้ก็ตามแต่บุญนี้มันก็มีขอบเขตจำกัด เมื่อมันตกแต่งมันรักษาขันห้านี่ไปได้กำหนดของมันแล้วมันก็ดับไปบุญนี่นะบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนะเมื่อบุญเก่านั้นดับลงไปแล้วขันห่านี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม่บุคคลนั้นจะทำบุญกุศลในปัจจุบันในชาตินี้มากมาอย่างไรก็ต่ออายุให้ไม่ได้บุญเก่าหมดแล้วก็ต้องแตกดับทำลายลงไป เมื่อเป็นเช่นนี้จะมาถือมั่นระเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละปัญญามันสอนจิตเข้าไปบ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็ค่อยคลายความยึดความถือขานาเนื่องไปเรื่อยๆแล้ววะนี้นะแต่มันจะละทีเดียวให้ขาดเด็ดไปเลยมันไม่ได้เพราะอินทรีย์มันยังออนถ้าผู้ใดที่ท่านมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วบุญกุศลท่านเพียบพร้อมแล้ว ท่านโบ น, นันการละอุปทานความยึดมั่นในขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปเลยนี่มันเป็นอย่างงี้นะขอให้เข้าใจมันถูกต้องข้อสําคัญเรื่องการละอุปทานนี่สําคัญกว่าเพื่อนนี่ได้แก่ละอุปทานในเรื่องบาปอากุศลนี่แหละถ้าบุคคลใดไม่ละความยึดมั่นถือมั่นใน ความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางออกไปแล้วบุคคลจะไปละอุปทานชั้นละเอียดขึ้นไปนั้นไม่ได้เลยก็ติออดอยู่ในอุปทานขั้นหยาบนี่แล้วก็อไปทําบาปทํากรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นสังสมบาปกรรมใส่ตัวเองอะเพราะมันละเชื้อของบาปไม่ได้นี่อย่างนี้มันก็ทําบาปได้แก่ตัวเองมากเข้าโดยลาดับ มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะเหตุดางนั้นมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้แบบนี้นะบาปกรรมนั้นมันก็นำให้ไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงเห็นว่าการละอุปทานในบาปกรรมนี่นะเป็นสิ่งสาคัญมากนั่นแหละ พอเมื่อเมื่อละอุปทานในบาปกรรมนั้นได้แล้วบาปไม่มีอยู่ในจิตใจแล้วอย่างนี้นะใจก็เบิกบานข่องแผ้วใจมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งแล้วก็สบายแต่เมื่อสบายแล้วอย่างนี้พิจารณา ด, ดูเห็นว่าบุญกุศลที่ตนมีอยู่นี่ยังไม่มากพอยังไม่เต็ม ยังจะละกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดอะไรเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำสั่งสมบุญเพิ่มเติมอีกเลยื่อยไปได้แก่การรักษาสินให้ยิ่งขึ้นไปกัวเก่าสำรวมในสินให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปและบาเพ็ญสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะอย่าไปนิ่งนอนใจว่าเรา ทำสมาธิพอแล้วอย่างนี้ยังไม่พอถ้าหากว่ายัางละกิเลสตัณหาอุปทานนะี้ยังไม่หมดตราบใดแล้วการทำสมาธิการรักษาสินก็จงเข้มงวดขึ้นไปแหละมันถึงมีกำลังได้เป็นอย่างนั้นจะไปทำาอนแออยู่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้ต้องเข้มแข็งขึ้นไปกาเก่าเรื่อยๆไป แล้วมันเจริญปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัญญามันต้องอาศัยสมาธินะปัญญาอันนี้นะ่ะไม่ได้อาศัยสำหรับตำราภายนอกไม่ไม่ได้อาศัยอย่างนั้นอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญานี่นะดังนั้น การพิจารณาอะไรก็พิจารณาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพิจารณาอยู่ภายใ น, นนั่นแหละรู้แจ้งก็รู้แจ้งอยู่ภายในนั่นละอุปท า, านได้ก็ละอยู่ภายในนั่นไม่ได้ไปละอยู่ข้างนอกไม่ได้รู้แจ้งอยู่ข้างนอกรู้แจ้งอยู่ภายในจิตใจนั่นเองเนีอย่างงี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลมาเข้าใจให้ถูกต้องอย่างที่ว่านั้นแล้ว ก็บำตั้งอยู่ในอปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นความชั่วทั้งหลายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นได้